ข้าพระองค์เหนได้บวชไปพ่อแม่ก็ได้ตกทุกข์ไดยากอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ ท, งทั้งที่ท่านจะตําหนิท่านบอกว่าซาทุซาทุเห็นด้วยนี่แหละเป็นพระที่ดีเป็นพระที่ดีเ ร, ดเราเกิดมาในภพใดชาติใดเราไม่เคยทิ้งพ่อทิ้งแม่เราถึงจะเป็นสัตว์ทิฏฐิาันเราก็ยังระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดา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 แต่ถ้าว่าพวกเราดูถูกเบียดยามพ่อแม่เอาแต่ใจตัวเองทาอะไรก็ฝืนใจพ่อแม่พ่อแม่จะมีแต่ร้องหมร้องให้กับเราในเมื่อเรามีลูกขึ้นมานั่นหละเขาก็จะไปตามที่ที่เหมือนกับตัวเองได้ทากับพ่อแม่นั่นโบราณกันว่าลูกตูมลูกตานหล่นไม่ไกลต้นแค่ๆว่าพอเราทำยังไงลูกของเราหรือผู้เกี่ยวข้องกับเราก็จะทำอย่างนั้น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 พระพุทธเจ้าบอกว่าคนชั่วน่ถึงยังไงก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราเคยเลี้ยงมาแล้วอนณาถามติกาเศรษฐีก็เลยถากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธองค์เลี้ยงมาสมัยไหนพระเจ้าข่าวพระพองค์วันในอดีตชาติอดีตชาติตกร์ออเราเป็นเศรษฐีใหญ่ในยุคหนึ่งในกรุงพาราณสี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 อันนี้ก็ให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดไปอยู่เสมอนะคับพร้อม ก, กันก็ชีวิตของพวกเราจะยืนนานสักเท่าไหร่อันนี้ก็ให้คิดไปอีกอถึงจะมั่งมีสีสุขร่ํารวยขนาดไหนก็เถอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอนะาจารย์าจารย์หว่นายแพทย์ต่างๆที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่ตั้งเมืองไทยมา